What happens next to diversity. Congratulations for the grand ぞ Why does our kids feel so slow andουν What is your life,walker? You know this may be a sweet little man. Take a zeg, correcting ourselves or something What how want things to say so great. Israelites don't look up high enough for kids to learn How's it how you made afelon you know ... every day is a huge thing as muchушки and things like the pinches ... or somebody ...... m contrario ... with acceptable in integrity Bezosang longo cahaya cũng dotyek. Bambém nebaffranc 372 004 bauloów. Bassarlo. Będ miar. Bona Nova tim. Cương. Bapa Tyra. Basta trzy Dir want mo passive apaunie potla sweating. He spoke normally on apodal tem Richtung so forth and he was like, Let'sOur cool. athletes are still Institute of Performance and help us. Omaris leaves us go quick, she doesn't come quick before she does, they do sava to fight for fun and whifla war. Had my crystal, I can honestly see him quite way what he lose because He goes off every word. to talk to you to see if you can help me s o m e i I <laughs> see. I don't know if you have any questions, but I don't know if you have any questions. Thank you so much. ใช่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 So, you know, suffer just one small thing, and then w a t ฉัจะเป็ที่สุันเ็ดีทีับจะเป็นคนทีุ่ันจะเป็นคนทีดีนี่สดนะคนที If you start with that, then you will see I think the punched one. I think, my umas, is that, n всегда it's that way. But when I'm, my piece of paper looks like I was asking Hanna for his work, Una pickup going fast mind, knowing what you need. You kept going fast and bucking well here. Like I said wrong- Son- Arthur, unseen fear, or so 추 See quite then geez. I. See four screams If there is a little full game on there but you're supposed to be enough to get away with your beach. This is <laughs> what looks amazing. It's not kind of way toנPOkebu trying it all because of a betrayal and mis пожibing my family. Because I was saying that the personal growth of my population will make some Потому question. Just a huge deal. Healthy yeah, yeah, yeah. <laughs> required t a y Exactly. <laughs> That's the h i s o r f such travel people. I remember the first thing. เขากับปรากฏมาพิธีกรคนนี้เนี่ยทั้งี่เขาไม่ดีคุณียาแล้วจะแต่งตัวแบบเรียวมากเลยละเขาก็ให้กำลังใจรับผม ผมขอให้กำลังใจกับกับอีกทุกคนที่คุยยากนะขอยพวกท่านเนี่ยยืนหยัดต่อไปนะพวกท่านเนี่ยดีกว่าพวกเราพวกท่านนี่ยกำลังทำอะไรที่พวกเราทำไม่ได้ผมว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยใจองอาจมากกว่าผู้ชายหลายคนที่ที่กล้ามาเป็นอสเวงนะใจกล้าขนาดนั้นนะแต่ไม่รอ พวกที่มีหวัวจะมีโรคในหวัวใจในสังคมโอ้โหโดนถลม่มถล่มรุนแรงเลยพูดได้ไงว่าคนที่คุ้มมีจาดีกว่าคนที่ไม่คุ้มมีจาดูทูคนที่ไม่คุ้มมีจาเป็นเรืงเขอาอาจจะจริงนะ่ะนะเขาอาจจะจริงนะ่ะนะเขาพูดนะถึงเรื่องการกระทบไปทึ่ว่าคนดี คนที่ทําการคุมหิจาร์เนี่ยเขาทําสิ่งที่ดีกว่าแต่เขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้มายรกว่าคนที่คุมหิจาร์ตั้งตัวนี่นะเขาจะดีกว่าคนที่อัลโรวะคนคุมหิจาสมโรวะนะคนคุมหิจารไม่ละหมาดกับคนไม่คุมหิจาร์ละละหมาดใครดีกว่าคนที่ไม่คุมหิจาถูกต้องไหมเพราะคนที่ไม่คุมหิจาร์ลวก็ละหมาดนี่นะเขาจะปากที่มันเบากว่าคนที่ ไม่ละหมาเพราะกันไม่ละหมานี่มันหนักกว่าการไม่ละหมานี่หนักกว่าไม่คุม้มทีถูกต้องว่าใช่ป่ะเออเขาจะให้ดีนะพะบางคนก็ เ, เพี้ยนเหมือน น, นันน่ะเนี่ยบางทีก็เพี้ยนอนน่ะพอเห็นคนที่ไม่คุม้มที่จแบ่งจะรับไปแย่เลยแล้วเจอคนที่ไม่ละหมานคือ <c ười> เราไม่ลำดับ บาปให้มันกมละการน่ะคนที่มีรูปในหัวใจเนี่ยก็คือคนที่ไม่หวังดีกับกับคนอื่นให้ทั้ <c oughs> เรื่องดีเป็นสงครามกันทำลายกำลังใจเรื่องนี้มันต้องมีสวรรคกูก็แต้องมีประกาศสงครามมันมี มันม um ีท um um um um um um ุกว like, um ิานนมมีทุกนาทีมันมีทุกกรณีทุกเคสทุกสถานการณ์สวนข่าวทาลายกำลันใจแก่ยัคือมันต้องแก้สงสงด้านคนที่เขากาลังทาลายกาลังจะมดอนึ่งคนนี้เขาต้องบาบัดหัวใจของเขาเพราะเากลังกาลังเป็น เป็นพูดเดียวกันมาี่เนี่ยนีบบอกจพูนานจกวะู่เ่สนเร่ดียวกันเพดเขาพูดเหมือนกันนะพวอมก็เว่าเดียวกันเขาพูดเหมือนกันแสดงว่าคนที่พูดแบบนีทำลายกำลังใจคนอื่นที่ทำความดีในทุกรูปแบบเนี่ย นั่นคือน้องคือคนที่หัวใจของเขาทีมีไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องศาสนานะอาจจะเป็นดีอือาจะอจะเป็นคนอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็คนไปทําลายกำลังของเขาเนี่ยเนี่ยพฤติกรรมของมุนาร์เปสมมติว่าเห็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนีกำลังทําความสะอาดอย่างเงี้ยเอาใจเอาหน้าอยากได้คะแนนในสังคมเยอมากๆทำอไรกําลังใจอะไรอย่างนี้ ไม่จะไปดูปเรื่องศาสนานะแต่จะไปดดีตัวตัวไปที่ไม่จะเรื่องศาสนาก็ได้แต่เรานี่ไม่ชอบอิจฉาหรืออะไรก็ตามแล้วที่เห็นทำความดีแล้วจะทําลายกําลังใจของเขานี่ไม่อยากให้ทำก็ต้องทความดีคนเราเนี่ยต้องต้องไปบำบัดหัวใจของเราต้อง ร, รักษาเอาจะพ้นยุโรปต้องฝึกฝน ทุกอย่างฝึกฝนที่จะรักความดีเรื่องนี้สคัญคนเราเนี้บางทีเนี่ยเกิดมาเกิดมาด้วยนิสัยนสัยเห็นแกตัวดีอยากได้คนดีถ้าดีเป็นปรากฏกับคนอื่นนะนะัตสตา์นี่ต้องดูเขาเขาเนี่ยต้องดูคนวย คนอื น, น, นี่นยต้องเปนคนลอยไคนดีเนี่้นคนเขาคนเดียวาเตือนนะดีนะคุณเไม่ชอบบางทีนี่ก็พูดลั่นมาเป็นวาจาหรือเป็นพฤติกรรมหรือบางทีเนี่ก็เก็บไว้ในใจเสร็แล้วว่าเขาต้องฝึกฝนว่ารั ก, ร, กรักความดีเนะี่ความดีนี่คือสสรรคําสั่งสอนของพระเจา้า เราต้องเลื่อมใสในะครับสั่สอนเนยความดีนี่มันปรากฏกับใครก็ตามถ้าพรากฏกักเราเราดีใจล้านปอรซ์ซนต์ไถ้าคานอื่นทั้งหลายเราก็ดีใจเหมือนกันไม่ต้องล้านปอร์เซนตแต่ต้องดีใจเขาดีใจว่าความดีนั้นมันปรากฏ น, นั่นแสดงว่าเราเลื่อมใสกับความ ความดีเช่นเดียวกันในสิ่งตรงข้ามาในเรื่องความชั่วเราก็ต้องเลื่อมใสในคำสั่งสอนเรียกว่าห้ามทำความชั่วเราก็ต้องไม่ชอบทำความชั่วและถ้าคนอื่นไม่ทำความชั่วเราก็ต้องเราก็ต้องเสียใจแทนาด้ไม่ใช่พอเห็นคนอื่นเขาทำความชั่ว หมดเลยลเลี้ยมก็ต้องดึงแบบนี้เลยนั่นแสดงว่าเราไม่ได้เลือกใสในคำสอนเราดีใจที่ความชั่วแล้วมันมันปรากฏอันนี้เรื่องแรกที่ต้องบำบับำบัดเรื่องเรื่องมองถึงเรื่องความดีและความชั่วเพ น, น, น, น, นั้เป็นคาสอนของหลวงพ่ ที่เราต้องปกป้องให้ได้ความดีปรากฏที่มัลชามีบอะว่ามัลชามีเรื่องความรู้เนี่ยท่านท่านจะไปแกล้งความรู้ใช่ไหมเพราะว่าเรื่องความรู้ความถูกต้องเนี่ยปรากฏกับใครก็ตามนี่ฉันไม่ฉันไม่แคร์ไม่สนใจ ข้าไปเรี่ยป่าธนาถ้าความรู้เนี่ยคนผู้ปฏิบัติกันหมดแล้วก็เมื่อต้องมีใครอ้างเลยว่าเนี่ยอิมามฉะบีีสอนไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกแค่ขอให้ ค, คนได้ทำมีคนนี้เขาเขาเรื่อมใส่เนี่ยอับสนันไม่ไม่จำเป็นนะว่าเขาต้องได้อะไรขอให้คาสั่ของพระเจ้าเนี่ยมันปรากฏโต้เถียงอิมามฉะบีโต้เถียงกับคนอื่น พระพิมพ์นบอกว่าทุกครั้งที่เถียงกับใครอ่ะนะข้าพเจา้าเนี่ยอยากให้คู่กรณีเขาใที่เถียงเขาเนี่ยไม่ใช่นะคือเราพิสูจได้ตัวเองว่าที่จริงนี่นะสัจธรรมเนี่ยเขาไม่ได้แสวงหาว่าเขาอยากให้สัจธรรมประกบกับตัวเพระถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นแล้วอ่ะนะเขาจะเถียงเพื่อให้ตัวเองใชนไหไม่ใช่ให้ความจริงใชนไหมแต่ที่จริงเนี่ย เราเถียงกันเพื่อแสวงหาความถูกต้องความถูกต้องจริงความชนะมีคือความถูกต้องเตือนกับเราเกิดนกับคนอื่นไมขอมันเกิดขึ้นต้องฝึกฝนนเรื่องเรื่องที่สองเนี่ยเรื่องความและปะัญหาเรื่องนี้มันก็คเรื่อ ง, องิชาเราต้องเราต้องพยายามบำบัดเรื่องอิจฉาที่เสยีย หมายถึงว่าคนที่เราไม่ชอบก็ไม่อยากให้เขาได้ทาความดีและอยากให้เขาได้เสียหายใช่ไหมนี่ไม่ใช่ไม่ใช่นิสัยผู้สรทธาไม่ใช่นิสัยผู้ศรทธาผู้สรัทธาปรธาถนาะมีปร า, าปรถนาดีทุกคนมีความหวังดีที่จะให้ทุกคนเนี่ย ทำความดีมเป็นชาวสวรรค์ละทิ้งความชั่วขออุบายเขาแล้วไม่ต้องไปบอกเขาด้วยไม่ต้องไปสแสดงอะไรเขารู้เนี่ยแต่ใจเขาเนี่ยพิสูดให้ตัวเองอะ่ะว่าเขาเนี่ยไม่มีความไม่มีไม่มีความประสงค์ร้ายกับเขาปราจากหน้าดีเับเขาอยากให้เขาเนี่ยทําดีเลกความชั่วต้องสุนเรื่องนี้ ต้องฝึกฝนเร่องนี้ฝึกฝนยังไงอ่ะดีที่สุดที่อุลามะเขาได้กล่คือเรื่องขอรู้าลับหลังในลับหลังเนี่ยไม่มีใครบังคับเราแต่การที่เรามาขอรู้อาลับหลังให้ใครนี่ก็แสดงว่าต้องยินยนว่าเราไม่มีอะไรจะข เราอยากให้เขาเนี่ยต้องดีที่สุถ้าสมมติว่าในเชิงเปิดเผยเนี่ยเราเคยตำห น, ตนิเข้าโดยการพูดอะไรนะแต่ใจเราจริงๆเนี่ยนะเราไม่อยากให้เขาได้ประสบกับความเสียเราอยากให้เขาได้มีแต่ความดีเรื่องเดียเราต้องปึกฝนเพื่อห่างไกลจากโรคทางหัวใจ อาจจะเกิดขึ้นกับทุกคนก็ได้นะแต่ทำไมเ้าบอกว่าที่ได้รวมผู้คนเหล่านั้นผู้คนเหล่านี้มุลาฟิกเนี่ยเขาว่านบีละสหฮาบะเนี่ยที่คนหนึ่งตัวที่รวมพวกพวกนี้นี่คือสสนาของพวกเขา เขาตตองการนห้เขาพูด์นบผู้เรมุสลิมได้่ยินเนี่ยกำลังฮลอนู่นข้านุก็เห็นเป็นมุสลิมแลอยู่กันบีแล้วูนโแบบนี้เนียเขาเลิกรัาที่สุดเจ้าที่สุดแล้วลตัวเองต่นะเอาเข้าจริงนะ กสิ่งที่ทำให้มุสลิมเนี่ยได้ราชื้อก็คือศาสนาของเขาจริงไม่ใก็ที่เขาใช้นี่ว่าศาสนาไงใช่แต่เขาต้องการให้มองว่าให้ถูกมองว่าศาสนานี่ลวงลวงเขาถึงขนาดที่ ตัวเขาเองน่ะนะไม่มีค่าเลยมีลึกมากที่จริงแล้วเขาพูดแบบนี้เนี่ยถั้งหากว่าจะโตด้วยขอ้อที่จริงน่ะนะอันนี้ว่าอศาสนานี่ศาสนาให้ให้เราชนะก็จริงก็จริงเอตัวเองกไม่ไไม่ได้ชนะเพรตัวเองศา ส, สนาให้ก็จริงแล้วจะไม่มีอะไร แต่เขาต้องการเนี่ยบันทอน ต, อตัว y, ตัวเองนี่ไม่มีค่าหลงหลดแต่จะเส้นไหนเดียววิธีที่จะให้คนอื่นวิธีที่จะให้คนอื่นเด็กครัวได้ครัว อะไรดีๆที่ที่มีอยู่ในมือนะก็คือ ส, สิ่งที่มีอยู่ในมือนะี่มันก็มีค่าจริงๆนะะอย่าอย่าไปเล่นสิ่งที่อยู่ในมืออย่างเดียวพยายามลดคุณค่าของของคนนะลด คุณค่าของคนที่ครอบครองอะไรดีๆที่อยู่ในมือย่างเช่นมีคนหนึ่งก็ไปสมัครงานสมัครงานดีมีเงินเดือนดีเนีเขาก็เขาก็อ่านหนังสือดีแล้วก็ฝึกฝนอย่างดีแล้ไปสมัคร เอออันนี้แหละพ่อแม่ขอทุกอย่างมึงก็เป็นไปไแล้วก็อาจจะเป็นเร่อดีนะเออพอแม่ขอทุอ่างก็เรดีนะแต่พอฟังแล้วคือที่เขาอยากได้ไม่มีค่าเลยอ่ะเหมือนกัเลือดเลือัเปอที่จริงเนี่ยเรื่องขอทุอ่งก็ดีใช่ไหดีแต่เขาโยนอ่ะ เรื่อตอมาแต่การที่มีพ่อแม่ขอ้งอะไนี่ถือเป็นเรื่องที่ค่ามากเลยนะถ้าเราถ้าเราองทีมัมีค่ามากเลยนะแต่สำหรับคนบางคนนี่ก็อาจจะอาจจะน้อยใจ่สงครามสงครามทางกำลังใจนี่ยทำลายกำลังใจงนะฮะเอาเลยและใช้คำพูดที่ทำใหลลดสถานะของศาสนา ศา ส, สนาเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจจูงใจผู้ศรัทธาไม่ใช่ลวงใจแต่เขาใช้คำว่ารวงนดหละจะแรงบันดาลใจที่มีคุณค่านะกลายเป็นอะไรมันของรวงอหมานี่วิธีใช้คำพูดที่โงมัน มันเหมือนอะไรมันเหมือนผิดผิดงูอ่เี้เดีดแล้วเขี้ยวของงูเนี่ยเี้ยดเขี้ยวของงูเนี่ยไม่เหมือนเขี้ยวเขี้ยวสิงโตนะเขี้ยวสุตูนบางทีนี่สิงโตนี่กัดนะไม่ตายตัดมูตัดือตัดแขนแต่ไม่ตายแต่งูตัวนี้ บังคำพูดเนี่ยขโม่าอุลามางคนเนี่ยอุลาม า, างคั่นเนี่ยถึงขัานแก่แก่ตายนะไม่สมคำคัญกำลังใจแบบนี้อย่างเช่นขโม่วอุลามซิบเวนเนี่ยสมเป็นอุลามาทีไรเป็นคนแรกที่เขียนตําราในอมบวยกอตรัส เขาีไม่ใรันะซีมาวนี่เนคนอเซียแต่มีคุกคีกับชาวอารับจนซึมซับภาษาอารับแล้วก็มามาตั้งมยกดอารัชื่อหนังสือของเขาออัลกิา่กิางซีมบาวนเขามาอซีมบาวนเี่ยเทีเทียก ผู an, ู้้คนหนึ่งดันดันภาษาเหมือนกันนะเรื่องตอน้าเขลีบวหรตรนกศักวนบาซีอาเนี่ยเขาจะชอบจัตั้งมีกันโตเงกันนะนะต่อหน้าเขาก็บางคนกว่าเนี่ยพูดแบบนี้มันถูกต้องอว่าแบบนี้ถูกต้องไแบบนี้มันถูกต้องแล้วแบบนี้ ก็ถูกต้อสิซึ่งซึ่งมันต้องอันนี้ถ้าอันนึงถูกอันนึงต้องผิดเพราะว่าวันนี้มันถูกต้องไปอันนึ่งออันนึงก็ถูกเขาก็เลยเสียหน้าเลยเขาบกว่ากลับบ้านนอนไม่หลัเช้าตรู่เนี่ยเสียชตเสียชรอไเสียหน้าเน่ยอุณาห์เขานั่งกันอยู่เป็นเป็นร้อยคนแล้วก็คนนี้เนี่ยคือคือคนที่เขาเขียน เขียนตำราแรกของของวิยกรน่ะแล้วก็มาผิดเรื่องวิยกรแล้วก็อลมาคนนี้เนี่ยบันทอนกำลังใจทำลายความรู้สึกคำถามเนี่ยตอบไม่ได้โอ้เป็นเรื่องนี้ถึงแก่ตายเลย่ะมันก็อาจจะเป็นจุดออน ของคนบางคนที่ให้ความสำคัญให้ความสำคัญหนึ่งกรอบรู้จักกรอบเฟรมถ้าพูดภาษาไทยไม่เข้าใจมานเราเเรียกฟอร์มคือสถานะเขาต้องเป็นแบบนั้น เขาต้องเป็นแบบนั <c <c ้นแล้วถ้ามีใครมาแตะแตะว่าเขาไม่เป็นแบบนั้นนะอ้อันนั้นเสียฟองแต่ผมชอบเรียกว่าเสียเฟรมเสียกรอบเขาต้องถูกมองว่าเป็นถุ่มของยิ่งใหญ่แต่เขาใครมามองว่เล็กกันนั่นเป็นเรื่องสาระหนึ่ที่จะสอนว่าสายตาของผู้คนเนี่ยใ่ เพราะมันเนีสายตาของคนเนี่ยที่ทําให้เราเนี่ยถึงเกิดตายเพราะเรามี่ยไปรักษาสายตาของมนุษแต่ไม่แค่สายตาของมนุษย์มนุษย์นี่จะด่ามนุษย์นี่จะดูถูกจะว่าอะไรเนี่ยอย่าให้ราคาอย่าให้ความสําคัญเลยเราในสายตาของมมนุษย์นี่ยจะเป็นยังไงนที่สําคัญที่สุดนะครับหลวงพ่ มันมีเรื่องหนึ่งที่เขาเล่าไงแต่มันไม่ถูกเสมอนะแต่ก็เล่าให้ให้ให้รู้บทเรียนบทเรียนึ่งแต่อย่าทำเหมือนเขาเลยขาบอกวามีที่ตุรกีสมัยสุลต่านประมาณหลายร้อยปีแล้วมีคนดีคนหนึ่งก็ไม่ใช่อุลามาไม่ใช่ปูรู้อะไรน คนคนนี้แปลกมากเลยคนคนนี้ทุกคืนเลยนะแค่ทำมาหากินได้ต่างมาเลยนะก็จะไปซื้อเหล่าไปซื้อล้าแล้วก็ไปพกส่องพวกสุเปมีอะไรละดับบ้านมีคนเดียวที่รู้ว่าเขาทำอะไร นี่คนหนึ่งอยู่ขาก็จะไปซื้อเล้า่ากับบ้านอมตะมีบอกว่าทำไมทำแบบนี้บอกว่าลดปริมาณคนที่กินเหล้าถึงบอกว่าอย่าทำเหมือนเขาแต่เขาเหนีว่า ถ้าเหล้ามันมีอยู่นั่นก็จะมีคนไปซื้อเละมีคนจะไปเมา แ, แต่เขาคิดกิดเนี่ยเขาคิดกิดแต่เจตนาของเขาเนี่ยก็คือไปซื้อเหล่าแล้วนำมาเทเพื่อจะได้ลบคนที่กินแล้าสองสาลดูอสลิมเขาเอี่อยาให้อิสลามกินแล้วทํายังไงเนี่ยก็อยากให้มีเล่ามันกินก็ไปซื้อเล่าแล้วนำมาเทแล้วก็มีตัง เขาไอ้พวกโสวินีอะนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยคืนนี้เนี่ยเธอเนี่ยจะทําซีนารับจ้างทําซีนาเท่าไหร่เท่านี้เพราะว่านี่นี่นให้จ้างแล้วเธอกลับบ้านคืนนี้ไม่ต้องทําได้ไหมแล้วก็าจกลับบ้านคนเดียวที่จะรู้เนี่ยบอกว่าเองเองงูแล้วคนคนก็เห็นเองเข้าหาสโสวเนีอะแล้วกว็บางคน นะซื้อเหล้านี้ก็จริงคนที่เมาดุเขาบอกว่าอัลลอวันที้เสียชีวิตเนี่ยวันนี่เสียชีวิตนะไม่มีคนไม่มีคนมาอาบน้ำมาเงนใครจะอาบน้ำมา ย, ง, มาามายงได้คนซื้อเหล้าทุกวนต้องซื้เห้าทุกคนกินเหล้าทุกวันทำเสีย <c oughs> คนเ้าไม่รู้ไงคนที่รู้นี่คือ แต่บัตืนบักตื่นเาด้าเนี่ยสุนต่างดังที่ที่ไปดูเลยเขาอจเขาอจเดินกลางคืนน่ยนะซ่อนแบว่าแต่งตัวแบบไม่มีใครรู้จักนะมันกิไปแอบฟังไปบอกแฉอะไรเงี้ยก็นั่งไปแอบฟังบ้าเมียเมียก็นั่งบน ไม่ใช่จะการอะกัน่บอกว่าเขาเนี่ะบอกกับจะบอกกับเมียเขาเนี่ยเองไม่ต้องห่วงตอนมีชีวิตนะเองไม่ต้องห่วงเรื่องการละหมาดของฉันเนี่ยคนที่จะมาละหมาดในชันนี่ยเขลีกภาสุตาเียก็ยิ้ยินัวไปอ่ลูกยิ้มบ้าลูกเนี่ยปรากฏว่าเราจะการจริงว่สุดตาที่มาฟังแล้วก็รู้แล้วเนี่ย ก็เลยเรียกอุลมาเรียกคณะรัฐมนตรีมาเมาละหมาจยานาให้เขาเนี่ยทั้งทั้งชุดเลยครบชุดเที่เขาทำเนี่ยก็ไม่ถูกเนี่ยที่เาทแต่บนเรียนที่เธอเขานี่ยเขาไม่ได้แข่สายตาของคสิ่งที่เขาแข่มากที่สุดนี่ก็คือสายตาของเ سَأَلَ <تصفيق> ا ل ل ه ُ ل ه و َ م َ ن ِ اتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَبُدَى إ م َ ا م َ ي َ ع ِ ي د َ اللَّهِ وَمَا ي َ أ ه ِ ي ك َ ا م ْ ح ُ و َมٌ مُنَافِقٌ يَمَلَّ بِالْمَثَلِ يَأْهِي َ ا ََُُْ ي َََْ ل َِْ ه ي ك َ م ْ ح ُ و ِ ق ٌَ م َ ل َ م ْ ي َ ا ُ و َ م َ ا มันถูกไหมแต่คนที่กลังไปละหมาดเนี่ยแล้วก็มีคนมาโยนกันนักเกณฑ์แข่งกันลิงนักนเก็ป็นขงเราหรมุสลิมาที่เขาตัดสินใจต้องไม่คุ้มที่จะตัดสินใจจะคุ้มที่จะไเอแล้วกันตัดสินใแล้วว่าอีจามัก้นี่ก็อีาไปไม่สงสคพูดคำพูดเหล่านี้เนี่ยมันมาจาก มันมันเหมือนไวรัสส์คนที่มีไวรัสส์เขาจะพบว่มีโรคอาจะพบว่มีเชื้อคนมาเนี่ยาติดเชื้อนี่ยุ่งเลยนะถ้าเรายอมแพ้สงครามน่สงครามทางจิตใจเนี่ยพวกเราจะประสบบ่นะบเจอยนะสงครามแบบนี้สงครามนีบอกว่าบูนาฟิศพวกนี้ก็จะมีทุดที่นะไม่เมนบาฟิกเต็มตัวที่อาจทังต้นนั่นนั่น กยุคทุกสมัยและการบันทอนกํบลังใจแบบนี้มันก็จะมีหลายรูปแบบทั้งสองด้านด้านการทาความดีก็จะมีคนที่มาบันทอนกำลังใจของเราไม่ทาความดีการลักความชั่วละเว้นความชั่วก็จะมีคนที่มาบันทอนพลังในการทิ้คทงความชั่วให้เราไม่ทาความชั่วต่อไปอีกทั้งสอง สมดานเนีเราอย่าให้ราคาอย่าให้ความสาคัญกับสงครามจำติดใจสลยสคัญที่สุนดสนีนด่นะครับที่เราต้องดูสายตาของสุภานานสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยมันถูกต้องไปตรวจสอบให้ดีให้ดีที่สุดอย่าให้กระแสยอย่าให้คำพูดของมนุษย์นี่ยจูงใจจูงชีวิตของเราอย่าให้มนุษ ให้คำพูดของมันไป่าแบบนี้พาเราไปสวรรค์ไปนรกอยู่การงานของเราต่างหากความตระหนักในดีนุในเรื่องที่เราเชื่อมันว่ามันเป็นผลลเป็นการต่จากที่ว่าจะต้อมตาที่มันจะพาเราไปสวรรค์หรือนรกชื่อมั่เรื่อนี้าะมาดอัลลอฮฺซุบฮานะวะเดะะลาะอินัลลอฮฺอาซิซฮะก เป็นบุคคอัลลอฮฮนั้นนือกว่าเนืกว่าพลังคำพูกระเส أ ุของผู้อื่นเป็นกำลังใจให้เราดูเฉพาะในยุคปัจจุบันมนุษย์เราในเวล้งครับเวลาตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการศาสนาบางที สงครามจะคนนี S S ้ไม mà <Ừ. S 2> ่ใช่ผู้ซื้มีไม่น่าห่วงเออเกี่ยงอย่างบ้านเราเราจะขิอะไรจะอะไรก็ไม่สนใจเอ้โจ้เขาจะอะไรอะไรไม่สนใจส่วนมากดีจะมีไม่เยอะเยอะนะ คำพูด ท, ที่มันบั่นทอนความรู้สึกส่วนมากก็จะมาจากอุศินนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเราอย่าได้เป็นคนเหล่านี้เยู่อย่าได้เป็นคนที่ทําให้คนอื่นเนี่ยเสียกํำลังใจบั่นทอนกํำลังใจแล้วเราอยา่อยาได้เป็นคนที่เสียกําลังใจจากคบพูดเหล่านี้นะคนนระักบก็ของการเปลี่ยนตรงนี้ก็ของซอมของรอยนี้ อาะห์าบิยุสาุสลหัเนิเศษผูเรื่องปดใจโเส้นเส้นแบ่งระหว่างความฉาที่โวดใจทุกโลกกับการฉาดที่ธรรมาให้ทาได้ใช่เลยไฉาที่ศสนาให้ทำได้เนี่ยเราเรียกกันว่าอิฉาเนี่ยด้วยด้วยลักษณะเดียก็คือความอยากได้ แต่ข้อแตกต่างเนี่ยอิจฉานสียอ่ที่มันบาปเนี่ยคือไม่อยากให้คนอื่นได้แต่ถ้าเราอยากได้เหมือนเขาต่อสมมติว่าเขารวยแล้วอยากเราก็อยากได้รวยแต่ไม่อยากให้เขาจนอันนี้ไม่บาปต่เขาเป็นผู้รู้เราก็อยากได้เป็นผู้รู้แต่ไม่อยากให้เขาเสียความรู้เราไม่บาปแต่ถ้าเราอิจฉา รู้รู้รู้ขอใมันขอใมันวิพากษ์ความรู้เนี่ยอิจฉาข้อตกต่างก็คืออย่นียคือเราอยากนี่อยากได้แต่อย่าให้อย่าอยากให้คนอื่นเสียหายเห็นคนละหมาดอย่างนี้ละหมาดขยันละหมาดเอียร์ุเรียนอ่านขุดอานเออเราอยากได้เหมือนเขาดีเนี่ยพี่จิงเนี่ยเรียกอิจฉาเขราความอยากแต่พี่จิงเนี่ยมันไม่เหมือนอิจฉาที่มันบาป ฉะนั้นในในหลักภาษาอักฤษเขาแยกเขารียกยึดตไ่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮัสซันถ้าเป็นอิจฉานิส ญ, ญานะนะอันนี้คือฮัสซันก็คือไม่อยากให้คนอื่นไนด้มีพอเห็นคนก็อาพรูปอาน อ, อ่านหอที่มันไม่ดเลยด้วยม่อยากให้เขาได้ความดี แต่ถ้าเราอยากได้มีความมีเงินเข้าเละอยากให้เขาดีหมุอนเดิมแล้วก็ดีกว่าเดิมอันนั้น่ราทำได้ไม่โวษไปดีฉันไป